เพรเรื่องที่ท่านพระอุทายีพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบในทุตุลละวาจาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิต